พัรษาแล้วเป็นประีของท่านนัปฏิบัติที่จะามความสนใจต่อสถานที่ที่เยอะแัดในครั้งพุทธการก็เป็นมาอย่างนั้นตลอด ถึงสมัยปัจจุบันมาได้ถือการเที่ยววิเวกสังกัดเพื่อการบำเพ็ญเพียรด้วยความสะดวกนี้เป็นการติดขวางทางดำเนินของพระศาสนาเนี่ยเป็นการข่วงความเจริญของโลกแต่เป็นสิ่งที่จะส่งเสริมพระศาสนา ภายในตัวเองและส่งเสริมภาษาศาสนาซึ่งเป็นส่วนรวมตลอดถึงโลกที่อาศัยธรรมะคือหลักของภาษาศาสนาเลยมีความเจริญรุ่งเรืองไปด้วยเกี่ยวกับพระคู่เป็นหลักของภาษาศาสนาอันผู้ถือพระพุทธศาสนาอันใกล้ชิด นิกับทรรม น, นิ่งๆยิ่งขว่าโลกโลกก็ได้ถือเป็นคติตัวอย่างและให้ความร่วมเย็ยนแก่โลกได้เท่าที่ควรแจกกำลังความสามารถทองคนดงนั้นการเสอะแสวงหาที่บาเพ็ญเพียร เ, เพื่อความสะดวกแจกจิตใจของเราเองเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับหน้าปวดผูม่งหน้าปฏิบัติและมีหน้าที่อันเดียว ที่การบำเพ็ญตนให้เป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองภายใ น, นจิตใจนพุทธประเพณีเป็นมาอย่างนี้ชาวกขององค์สมเด็จพระภูมีพระภาคจากครูปรากฏ เป็นสาวกรหันขึ้นมาและเป็นเจอหน้าของพวกเราทั้งหลายได้กราบหวอยู่ทุกวันนี้่านเป็นมาดังที่กล่าวมานี้ไม่ดีมีความฟุ้งเฟ้อเหอื่อเสริมแต่ตามสิ่งยั่วยวนต่างๆซึ่งมีอยู่ทั้งภายนอกและภายในและมีอยู่ตลอดกาลแต่เป็นผู้มุง่งตัวความดัด แปลกายวาจาใจของตนให้ถูกต้องตามหลักของพระธรรมวินัยที่พระองค์ประทานไว้แล้วอย่างใดไม่มีเข็คทิศที่จะเอืเ อ, เอียงไปอย่างอื่นนอกจากหลักธรรมวินัยของพระองค์ท่า น, น, นมีเป็นเข็มทิศที่ชาวกทั้งหลายได้ดำเนินมา และเป็นผลสำเร็จโดยสมบูรณ์ในใจของท่านด้วยเมื่อได้ระบายออกจากใจทีหนี่งรับการบำเพ็ญโดยถูกต้องจนตราจะปรากฏเป็นจิตที่โดยสุดสมบูรณ์แล้วกระจายออกไปทิศใดทางใน ยอมเป็นความร่มเย็นแก่โลกผู้มีความสนใจใคร่ต่อธรรมะของท่านมีบรรดาเราทั้งหลายก็ได้นามาเป็นนักบวชคือเป็นผู้เว้นจากความเป็นกระดิห์มาแล้วโดยทางเทศและเว้นจากความประพฤติซึ่งจะเป็นค่าสึกต่อเทศของท่าน มีหน้าที่ที่จะบำเพ็ญตนให้เป็นไปเพื่ออัดเพื่อทำอย่างยิ่งจองควรสนใจอย่างยิ่งในตัวของเราการออกสแสวงหาวิเยกสงัดนั้นเป็นความชอบธรรมแต่การจัดไปอย่างแบบโลกโลก จะดูก็ไม่เป็นธรรมไม่ว่าจะการไปแม้การไปก็ไม่เป็นธรรมไม่มีสินใดจะดีขึ้นเพราะการดูและการไปของครูไม่สนใจในอักธรรมของพระพุทธเจ้าดูที่ไหนก็มีแต่ขาดทุนจะไปที่ใดก็ไม่ปรากฏเป็นผลประโยชน์มีแต่ความ ขทุนไปเป็นลำหดักมีในใช่หลักของพะคู่อยู่และไปด้วยความสนใจให้ถูกต้องตามเพศของพะและหน้าที่ของพระแต่กลับเป็นข้าศึกต่อเรื่องของพะทําพระของเราให้ด้อยลงทําพระศ า, าสนาซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับเราให้น้อยลงทําวงคณะให้ด้อยลงไปต า, ตามกัน ทุกสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับความเป็นพระของเราไม่ว่ากว้างหรือแคบจะเป็นเรื่องที่ด้อยลงตามกันเพราะเราซึ่งเป็นตัวเหตุทําให้ด้อยลงในตัวของเราเองผู้ปฏิบัติจึงควรคำานึงถึงเรื่องของตัวเสมอทั้งการดีทั้งการไปดูก็ให้มีหลักเหตุผลเป็นเครื่องปกครองตน ม, มีการต่อส่องมองดู เรื่องของเราและเรื่องของหมู่คณะซึ่งจะควรนำมาปรับปรุงตนเองโดยเห็นว่าสิ่งที่ได้เห็นได้ยินจากอากัปกิริยาของครูอาจารย์และหมู่เพื่อนว่าเป็นสิ่งที่จะเป็นผลประโยชน์แก่ตนและน้อมเอาสิ่งนั้นเข้ามาปรับปรุงแก้ไขตนเองนืชว่ะอยู่ด้วยการศึกษา อยู่ด้วยเหตุด้วยผลคือหลักธรรมของพระพุธธทธเจ้าจริงจริงมือออกไปก็เป็นพู้สอบแสลงหาเรื่องเหตุผลซึ่งเกี่ยวข้องกับตนตนนี้เป็นหนักประกันที่จะเกี่ยวข้องกับสิ่งทั่วๆวไปในเวลาก้าวไปก็ดีอยู่ก็ดีไปที่ใดก็ดีอยู่ที่ใดก็ดีเรื่องของเราจะเป็นเรื่องประกันตัว หรือเป็นเรื่องรับประกันที่จะต้องสัมผัสเกี่ยวข้องกับสินทั้งหลายทั้งดีและชั่วเราจะทำความสนใจเพื่อจะยังประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากสิงเกี่ยวข้องให้ปรากฏขึ้นในตัวของเราอย่างไรบ้างหรือจะทำตัวให้พลอยล่มจมไปกับสินทั้งหลายที่มาเกี่ยวข้องนั้น ไปเสียหมดข้อนี้เราต้องคำนึงเสมอเราดูก็ให้มีครูอาจารย์เป็นเครื่องตักเตือนจิตใจเสมอเราออกไปที่ใดก็ต้องมีครูอาจารย์เป็นเครื่องตักเตือนเสมอเพราะธรรมะที่ออกจากศาสนาธรรมครูอาจารย์ท่านนามาสั่งสอนเราเป็นธรรมะที่ถูกต้องเพื่อทาง สงอบร่มเย็นแต่เราเป็นขั้นขันเราผู้มาศึกษาก็จําเป็นอย่างยิ่งที่จะดําเนินตนของกนให้เป็นไปตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้ า, จาอย่าให้เคลื่อนข้าเมเนื่อการดําเนินก็เป็นการรับรองคือปฏิปทาก็รับรองว่าถูกต้องผลจะเป็นความถูกต้องขึ้นมาเป็นขั้นขันนับตั้งแต่ขั้นตน จนถึงขั้นสูงสุดคือวิมุตตานิพพานจะไม่มีความบกพร่องหรือผิดพลาดไปแม้แต่น้อยเพราะหลักปฏิปทาเป็นเครื่องค้ำประกันอยู่แล้วว่าถูกต้องผลจะเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญทั้งการอยู่ทั้งการไปตลอดเอยาบททั้งสี่ เป็นผลสุดทอดกันไปเป็นลนํำดับลาดับจากปฏิปทาที่ถูกต้องตามหลักธรรมของพระโพธิสัตว์นี่หลักปฏิปทาของผู้จะดําเนินให้เป็นไปเพื่อความเจริญภายในใจิตใจจริงๆต้องเป็นผู้สนใจต่อข้อปฏิบัติดังที่กล่าวมานี้ทุกๆท่านที่มาศึกษามาอยู่เป็นเวลาหลายปีก็มี ตึงมาก็มี่างท่านก็เป็นผู้มุ่งมาเพื่ออัดเพื่อทมที่จะแก้ไขตนเองธรรมะที่เดยยินได้ฟังจากท่านรู้จากหมู่คณะโปรดให้ถือว่าเป็นธรรมที่สำคัญออกมาจากความมตติกิจ ท, ท่าไทยของพระพุทธเจา้า โปรดไปนาธรรมะนั้นมาปกครองจิตใจก็หนึ่งมาศาสนาอยู่บนหัวใจเราทุกๆขณะอย่าให้ศาสนาที่จอมปลอมซึ่งเคยแทรกซึมอยู่กับหัวใจนั้นขึ้นอยู่บนหัวใจจะทําความรู้ความเห็นความประพฤติ ท, ทุกด้านของเราให้ผิกทลาดไปจากหลักธรรมของศาสนาที่แท้จริงสอนไว้ การปฏิบัติก็คือการแก้ไขสิ่งบกพร่องนั่นเองการส่งเสริมสิ่งที่ตนปฏิบัติถูกต้องแล้วให้มีกําลังเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปน่นทั้งสองประเภทนี้เป็นจิตจําเป็นของผู้มุ่งความเจริญอย่าได้เห็นว่าการแก้ไขดัดแปลงสิ่งที่บกพร่องว่าเป็นภาระอันหนักจน เหลือความสามารถของตนที่จะแกไขได้และอยากเห็นว่าสิ่งที่ตนดําเนินมาด้วยความถูกต้องแล้วจะมีกําลังเจริญขึ้นไปเป็นลําดับลํำดั บ, ดบโดยตนเองไม่ส่งเสริมเป็นเป็นลําดับไปแต่จะเจริญเพราะการส่งเสริมขึ้นด้วยความภาคเพียรและถือว่าเป็นจิตสําคัญเช่นเดียวกันกับการขอบถอนสิ่งที่เห็นว่าเป็นภัยแก่ตนเอง จิตทั้งสองประเภทคือการตอดรอนสิ่งที่ผิดและการส่งเสริมสิ่งที่ถูกให้มีกําลังมากขึ้นนี่เป็นจิตจําเป็นเสมอกันถ้าเราเป็นผู้รักเนาเป็นผู้สงวนตนเป็นผู้มุ่งความเจริญรุ่งเรืองเพราะเหตุแห่งการปฏิบัติโดยถูกต้องและสมบูรณ์แล้วจงเป็นผู้ มีความสนใจต่อการส่งเสริมข้อปฏิบัติที่ถูกต้องของตนให้มีกำลังมากขึ้นเป็นลำดับลาดับอย่าลดละความเพียรในขณะเดียวกันจิงใดที่เป็นค่าศึก่อตอนเองตรวจเห็นว่าเป็นสิ่งสำคัญซึ่งจะควรละเช่นเดียวกันอย่าเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่สุดคู่สาย เพราะสิ่งที่เป็นภัยพอดีสิ่งที่เป็นคุณก็ดีจะเป็นขึ้นจากเราคนเดียวมาได้เหาะลอยมาจากที่ไหนแล้วปรากฏเป็นความผิดาตาดทื่เป็นภัยขึ้นมาแก่เราและมาได้เหาะลอยมาจากที่ไหนมาปรากฏเป็นความดีเด่นขึ้นภายในตัวของเราโดยไม่ต้องทำการส่งเสริมและบำเพ็ญให้มีกำลังมากขึ้น แต่เกิดขึ้นจากเรื่องของเราด้วยกันทั้งสองประเภทีนี่เป็นหลักใหญ่สำหรับเราจะมองข้ามไปไม่ได้ถ้าเรายังเห็นว่าตนเป็นของเป็นสิ่งที่มีคุณค่ากายเป็นของที่มีคุณค่ า, าศาสนาเป็นของประเสริฐจึงควรอย่างยิ่งที่จะสนใจต่อเรื่องของตนโดยเฉพาะเฉพาะไม่เลือกว่าการสถานที่ใดๆ และสมัยใดๆ ไ, ไม่ว่าจะนั่งไม่ว่าจะยืนไม่ว่าจะเดินไม่ว่าจะนอนเว้นแต่หลับเท่านั้นไม่ว่าจะอยู่ในวัดไม่ว่าจะไปนอกวัดไม่ว่าจะอยู่ในป่าในเขาไม่ว่าจะอยู่ในอียาบทใดและสถานที่ใดๆเวลาใดๆจงถือความเพียรซึ่งเป็นเครื่องแนบสนิทให้รู้เรื่อง ความเป็นของตนอันจะแสดงออกมาจากใจละบายออกมาทางกายทางวาจาอยู่เสมอนี่คือว่าเป็นผู้ไม่ลืมตนผู้ใดมีความสนใจและหนักแน่นต่อการมองดูเหตุการณ์ทึ่งจะเกิดขึ้นภายในตั้งใจของตนแล้วออกไปเกี่ยวข้องกับคนอืน่นให้กลายเป็นความมัวมองหรือเป็นภัยขึ้นมาแา่ตนผู้มีสติระมัดระวังเช่นนี้จะเป็นไปเพว่ความเจริญไม่มีความเสือเส่อมถอยลงไป นักศึกษาจะเป็นผู้สามารถหรือถอนตนให้พ้นจากทุกไปได้ในปัจจุบัน น, าานี้เพราะอำนาจแห่งความเพียรความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนอยู่เสมอไม่ลดหนะักการแนะนำั่งสอนบรรนาท่านภูมาศึกษานี่ก็รู้สึกว่าได้พุ่มเทกำลังลงเบิกเจตนาวังดี แต่บรรดาท่านผู้ฟังโดยไม่มีการปิดบังลี้ลับรูมีความสนใจจะนำธรรมะที่แสดงนี้ไปปฏิบัติก็โปรดได้ทําความสนใจแก่ตนเองอย่าให้ตัวของตัวนั้นกลายเป็นคนล้าสมัยไปโดยเจ้าตัวไม่รู้แต่อย่าถือว่าตนเป็นคนทันสมัยใน<อ>สิ่งที่จะเป็นภัยแก่ตนซึ่งจะทาตนขอตนให้ล่มจม เพราะความสําคัญมาตนทันสมัยนั้นเราไม่ใช่คนสมัยใหม่เราไม่ใช่คนสมัยเก่าเพราะเราเป็นลูกศิษย์ของพระคาถาคตหลักธรรมวินัยสอนไว้อย่างไรโปรดได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมวินยัยประจําเพศของพระและเจตนาของตนที่มุ่งจะตามเสด็จของพระพุทธตามเสด็จพระพุทธเจ้าให้ทันโดยความบริสุทธิ์ทางภายในใจ ตรงทําความหนักแน่นต่อข้อปฏิบัติอย่ามองเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดว่าจะมีคุณค่ามากกีกยิ่งกว่าการปฏิบัติตามหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าด้วยความภาคเพียรของตนไม่มีสิ่งใดจะมีคุณค่ามากยิ่งกว่าใจดวงนี้และยิ่งกว่าความปรัชญาดีของเราเพื่อสั่งเสริมจิตส่งเสริมจิตใจของเราให้มีความเจริญไปตามหลักธรรมนี้ไหน สสมกับเราเป็นศาสตรยับุตรจับไปที่ไหนขอให้มีครูมีอาจารย์เป็นเครื่องแนบสนิทอยู่กับภายมาาใจจะเป็นที่ร่มเย็นภายในใจตนด้วยจะเป็นที่ยินดีแก่ผู้มาเกี่ยวข้องด้วยเพราะขึ้นคือว่าของดีแล้วปรากฏแก่ท่านผู้ใดหรือท่านผู้ใดมาเกี่ยวข้อง จะต้องทราบเสมอว่านั่นคือของดีถ้าตนประพฤติปฏิบัติ ด, ดีแล้วใครจะมานินทาว่ากก่าให้ล่มละลายไปก็ไม่สามารถจะทำความดีนั้นให้ล่มละลายไปได้แต่ถ้าเราปฏิบัติตัวเราไม่ดีแล้จะมีใครๆลิบตัวของเราเองส่งเสริมยกจ้องตนเองมาเป็นผู้ดีก็ไม่ดีอยู่นั่นเอง เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้สำเร็จขึ้นจากการส่งเสริมยกย่องเอาเฉยๆแต่ต้องขึ้นอยู่กับการปรับปรุงถ้าส่งเสริมก็ต้อ ง, ส, ง, ส, งส่งเสริมด้วยวิธีปรับปรุงแก้ไขนี่เป็นการส่งเสริมที่ถูกต้องการตำหนิก็ตำหนิหาทางแก้ไขจัดว่าเป็นการถูกต้องการชมเชยก็แสดงผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของตน ที่ทำมาเต็มสติกำลังความสามารถเป็นเหตุให้เกิดความภาคภูมิใจเป็นทักทักไปนี่ก็ชีวะเป็นการส่งเสริมโดยถูกต้องเพาะส่งเสริมผลที่ปรากฏขึ้นด้วยข้อปฏิบัติชอบของกตแต่อย่าไปเสียขันปันยอเอาเฉยเฉยโดยหลักข้อปฏิบัติไม่เป็นไปตามจะเป็นโมคาบุรุษในเพศแห่งพระของหลกอย่าให้ปลอม พระนี้เป็นพระของพระุทธิเจา้าบวชตามหลักธรรมของพระุทธิเจา้าไม่ใช่บวชตามป่าตามลกไม่ได้บวชตามศากษาวาสินที่ไหนแต่บวชมีอุปชาอาจารย์บวชตามหลักธรรมวินัยของพระุทธิเจา้าฉะนั้นเมื่อปรากฏเป็นองค์ของพระขึ้นมาก็เป็นพระที่สมบูรณ์ตามสมมุติ เมื่อเป็นทะที่สมบูรณ์ขึ้นมาตามหลักธรรมในที่ประทานไ่แล้วอย่า ท, ทํพระที่สมบูรณ์นี้ให้กลายเป็นพระที่ปลอมไปด้วยข้อปฏิบัติปลอมไปด้วยความรู้ความเห็นปลอมไปด้วยจริยามารยาทปลอมไปด้วยชีเลี่ยตัญหาอาสวะพอกผุนหัวใจพระจะปลอมไปโดยวิถีนี้โกรธพากนณมัตระวังนักษาจะให้สิ่งจำปลอมเหล่านี้มาพอกผูน เพศของพระและหัวใจของพระให้กลายเป็นของปลอมไปหมดทั้งเพศและจิตใจจะหาทางออกไม่ได้บวชก็บวชเฉยๆเพศของพระก็ เ, เพศเฉยๆผาเหลืองก็เหลืองเฉยๆใจไม่เป็นพระข้อปฏิบัติไม่เป็นข้อปฏิบัติของพระความรู้ความเห็นไม่เป็นไปตามทางของพระความสุขที่พระจะได้รับจึงไม่ปรากฏ นี่โจทย์ให้พิจารนามากมากซึ่งขณะนี้เราเป็นพระโดยสมบูรณ์แล้วตามหลักพระบัญญัติของพระพุทธเจ้าและจงพยายามจังปรับตรงพระของตนให้เป็นพระในหลักธรรมชาติขึ้นมาจากพระที่สมบูรณ์แล้วโดยพระบัญญัตินี้ขึ้นไปเป็นขั้นๆเริ่มจากความสงบใจคือมีความสงบเยอเือกเย็นใจด้วยข้อปฏิบัติดัดแปลงจิตใจของตน จะอุบายวิธีภาวนาวิธีใดก็าตามซึ่งเป็นอุบายบังคับหรือดัดแปลงจิตใจของตนให้ก้าวเข้าสู่ความสงบนี่ก็จะเป็นพระขึ้นไปเป็นท่านทัาความสงบเราเรียนมาเสียจนชินสมาธิเราเรียนเสียจนชินจำได้เสียจนชินใจ หลักแห่งความสงบจริงๆที่เราจะประสบพการนั้นมีอยู่ที่ตรงไหนมีเป็นหลักสำคัญถ้าไม่มีอยู่ในหลักข้อปฏิบัติคือการอบรมจิตใจด้วยความเฉ้นแข็งไม่มีทางอื่นที่จะเกิดขึ้นแห่งความสงบเย็นใจในเพศของพระนี่เลยปัญญาถ้านอนอยู่เฉยๆเป็นปัญญาแล้วสัตว์เดรัานก็นอนได้จะกลายเป็นผู้ฉล า, าดทัดเทียมคนกับมนุษย์ทั่วๆไป ไม่ว่าแต่เราซึ่งเป็นฐาแล้วจะเป็นผู้ฉลาดตัววิธีนอนจมอยู่ในเสื่อในหมอนเฉยๆแต่ปัญญาจะเกิดขึ้นด้วยการิณิตพิจารณาตรายตรองดูสาเหตุที่มาเกี่ยวข้องกับตนทั้งภายนอกและภายในนี่เป็นธรรมเทศนาซึ่งจะมาสัมผัสกับใจเป็นเหตุให้ปัญญาของเราจะเพิ่มขึ้นมาพร้อมทั้งสติจะตามรู้ตามเห็นสิ่งที่มาเกี่ยวข้องแล้วตรายตรองให้เห็นชัดด้วยปัญญา ส่วนใดที่จะปรากฏให้เป็นสภาพแข่งใจ ร, รักใดใต ร, รรักหนึ่งจะหนีจากปัญญานี้ไปไม่ได้เรื่องอ น, นิจจังก็จะเห็นขึ้นที่กายของเราเห็นขึ้นที่อาการของใจเราเรื่องทุกขังก็นั่งทับนอนทับกันอยู่ตลอดเวลาจะสงสัยไปที่ไหนเมื่ออย่างปัญญาลงไปสู่ที่นี่แล้วจะเห็นทุกขังประจักษ์กับใจโดยไม่ต้องจําเอาแต่ชื่อว่าทุกขงังโดยไม่ต้องจำเอาแต่ชื่อว่าอนิจจัง โดยไม่ต้องจำเอาแต่ชื่อว่าอนัตตาแต่จะเป็นหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาประจําปัญญาของเราที่ทําความสนใจใส่องดูกับหลักธรรมชาติที่เป็นไตรลักษอยู่แล้วนั้นเป็นขั้นๆไปชื่อของสมาธิที่เราได้ยินนั้นก็จะมาปรากฏขึ้นจากหลักแห่งการพิจารณนานโดยทางไตรลักษณ์นี้เป็นความสงบเย็นใจขึ้นที่วงใจของเรา ความฉลาดรอบพอกก็จะปรากฏขึ้นกับท่านผู้พิจรารณาโดยถือไตรลักษณ์เป็นหินนับปัญญาให้คมกล้าปัญญาทุกขันจะเป็นไปตามหลักของไตรลักษณ์ที่เป็นหินนับโดยสม่ำเสมอสมาธิคือความสงบใจจะมีความแน่นหนามั่นคงไปเป็นขั้นขันเมื่อปัญญาใดพิจรารณาค้นความากไปเท่าไหร่ก็ยิ่งจะถอดถอนจริงที่ กดท่วงจิตใจให้ได้มีการกระเตื้องขึ้นมาเป็นลําดับลาดับสมาธิกับปัญญาก็กลมกล่อมกันไปในจิต ด, ดวงเดียวนั้นพูดถึงเรื่องสมาธิก็จะประจักษ์กับใจคือตัวแห่งความสงบนั่นเองพูดถึงเรื่องปัญญาก็จะมากระเทือนถึงใจผู้มีปัญญารอบด้านอยู่กับตัวเองซึ่งใช่ควรดีเสมอ เรื่องวิมุตตพระนิพพานจะไปหาที่ไหนถ้าสติปัญญากับความเพียรได้สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันไปกับกายกับใจของตนที่รวมแล้วเรียกว่ากองขันอันนี้คำว่าศีลสมาธิปัญญานั้นโตรดยาได้คาดไปว่าจะมีห้างร้านต่างๆเป็นที่ฉะถูกอยู่ของศีลของสมาธิของปัญญาของกิเลสปัญหาอาสวะทุกๆประเท แต่โปรดทราบว่ากายกับใจนี้แหละเป็นภาชนะสําหรับรับรบองศีลสมาธิปัญญาที่เหลือกันหาอาชวะทุกประเภทมีอยู่ที่นี้หมดเรื่องใจรักคืออนิจจังทุกขังอาจารยก็มีอยู่ที่นี่ศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องจกักรรู้สิ่งเหล่านี้เพื่อจะถอดถอนจิตใจให้พ้นจากภาวะคือความเป็นดูรณบัตดนี้ไปเป็นขั้นๆก็จะปรากฏกันที่นี่ เมื่อปัญญามีความเฉลียวฉลาดเพราะอำนาจแห่งความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนอยู่ทุกๆเวลาแล้วจิตแม้จะเคยนอนตมอยู่กับที่เหลตันหาอาสวะมาเป็นเวลานานตักเท่าไหร่กว่ากามจะไม่ต้องถามหาทางหลุดพ้นเช่นเดียวกับนักโทษที่ติดตา ร, รางที่ติดคุกจุนในเรือนจําจะเป็นโทษกี่ปีกี่เดือนก็าตาม จะเป็นละหูโทษก่อตามครูโทษก่ตามเมื่อค้นจากโทษเขาปลดปล่อยออกมาจากที่คุมขังแล้วเขาไม่จําเป็นจะต้องถาม ถ, ามถึงบ้านถึงเดือนของเขาว่าเขาได้จุดคุก ม, มาเป็นเวลาเท่านั้นเดือนเท่านั้นตีเขาจําหนทางจากเดือนจํานี้ไปถึงบ้านเขาไม่ได้แต่เขาจะตรงไปบ้านเขาโดยไม่มีปัญหาใดๆทั้งนั้นนี่ข้อนี้ฉัน้นใด จิตจะนอนจม อ, อยู่กับที่เด็ดปัญหาอาสวะมากี่กับสี่กันก็ตามไม่เป็นปัญหาขอให้สติปัญญาเป็นเครื่องปลดปล่อยสิ่งที่เกี่ยวข้องกับใจและกกดทว่ใจนั้นให้ออกดาดโดยชื่นเทิงแล้วเป็นที่พอใจโดยไม่ต้องเป็นกังวลที่จะถามถึงความพ้นทุกข์และพระนิพพานอยู่ที่ไหนจำไม่ได้ดังนี้จะไม่มี ตดยาได้ตปคาดหมายข้างนอกซึ่งผิดจากถ้าประสงค์ของพระโพธิเจ้าที่แสดงไว้ว่าสัจธรรมมีอยู่กับกายกับใจของเราสติปัฏฐานสี่ก็มีอยู่กับกายกับใจของเรามีอยู่ที่นี่พูเดั่งไตรรัตน์อนิจจทุกขังตาตามีอยู่ที่นี่หมดไม่ปรากฏว่ามีที่อื่นเป็นดันเกิดและเป็นที่สถิตอยู่ของธรรมเหล่านี้เลย สิ่งควรจะละเมอเพ้อฝันหาไปต่างๆนาน า, นาซึ่งเป็นการรบคุบเงาไปเฉยๆไม่เป็นประโยชน์แกโมฆะมุรุษธคูเแียจากหลักทำที่พระองค์ตรัสสอนไว้คุกเป็นของใหม่หรือเป็นของเก่าโปรดพิจารณาให้ดีสมุทัยนิโรดนนักเป็นของใหม่หรือของเก่า ทมทั้งสี่ประเภทนี้มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่เป็นของลาสมัยหรือเป็นปัจจุบันนากาศคู่ปฏิบัติควรจะสนใจในธรรมเหล่านี้ให้รู้ชัดประจักษ์กับตัวเองเพราะทมทั้งนี้มีอยู่กับเราทุกๆท่านไม่ควรจะสงสัยไปที่ไหนทุกจะเป็นมาจากอดีตก็าตามก็ต้องแสดงหลักให้ปรากฏเป็นปัจจุบันเนี่ยเป็นที่ตั้ง ทางกายทางใจก็เห็นประจักษ์สิ่งสมูทายจะแสดงตัวให้ไปเกิดเป็นพบเป็นชาติในสถานที่ใดก็ต้องเป็นเชื้อที่แสดงออกจากภายในใจซึ่งเห็นประจักษ์หรือมีอยู่ในตัวในใจของเราณนะบัดนี้มักคือข้อปฏิบัติที่ดัดแปลงแก้ไขเพื่อขอดถอนลู่ลืูฟื้นสมูทายออกมาจากใจให้สินส้นซากไปก็มีอยู่กับกายกับใจของเราทุกทุกท่าน นิโรธาเมื่อเรื่องของมรรคปฏิบัติต่อเรื่องของสมุทัยให้เต็มที่หรือสมบูรณ์แล้วจะไม่ต้องไปถามหาทางดับสมุทัยดับทุกพอสมุทัยดับไปทุกก็ดับไปเท่านั้นนิโรดก็ปรากฏตัวขึ้นมาอย่างเต็มที่นี่เราจะจะหานิโรดความดับทุกที่ไหนถ้ามาหาที่ทุกมีอยู่แก้ไขกันตรงที่ทุกมีอยู่สมุทัยมีอยู่นี่เท่านั้นไม่มีทางอื่นที่จะ เป็นสมบัติอันสมหวังของผู้ปฏิบัติตามหลักแห่งศรัทาแตธทรความพุทธะจักทาที่กล่าวมาทั้งนี้เป็นหลักปัจจุบันอยู่ตลอดเวลากำหนดลงเมื่อไรก็เห็นทุกทั้งทุกทางกายและทุกทางใจจะเป็นของที่ผ่านสมัยไปไหนถ้าเป็นของผ่านไปแล้วก็ไม่ปรากฏในบุคคลและสัตถ้าเป็นอนาคตก็ ไม่ปรากฏเพราะอยู่ข้างหน้าแต่อันนี้เป็นปัจจุบันจริงปรากฏรู้เห็นอยู่กับเราทุกทุกท่านและทุกทุกขณะด้วยทุกก็ดีสมุทัยก็ดีเป็นของที่ปรากฏอยู่ชาติกับปัญญาเมื่อลุกฟื้นขึ้นมาจากรวงใจอันนี้ก็ปรากฏอยู่เช่นเดียวกันแล้วนิโรธาคือความดับทุกข์จะ ม, มีอยู่การหน้าการหลังที่ไหนถ้าไม่เกิดในฉากเดียวกันความบริสุทธิ์เมื่อสิ่งเหล่านี้ได ดุจลอยออกไปเพราะอำนาจแห่งข้อมปฏิบัติแล้วเราจะไปหากันที่ไหนถ้าไม่หาถ้าไม่รู้กันที่จุดแห่งทุกหรือสมุทัยดับไปนี่นทำที่กรรมมาทั้งหมดนี้เป็นปัจจุบันธรรมนี่อยู่กับเราทุกท่านผู้สนใจปฏิบัติควรจะมองลงไปที่นี่อย่าไปตื่นเต้นกับเมื่อวันปีเดือนสถานที่ที่โน้นที่นี่ นั่นเป็นโอกาสอันหนึ่งที่เราจะสา ะ, ะแสงเพื่อเป็นชัยสมอนภูมิอันเหมาะสมสำหรับผู้จะดำเนินเพื่อการปลอถอนหรือประหารประหารสิ่งที่เป็นค่าศึกภายในใจนี้ให้หมดไปหรือสิ้นชากลมไปเป็นน้ำหนักจะทำความสนใจต่อที่เช่นนั้นเช่นนั้นแต่ไม่ควรมองข้ามไปจนกลายเป็นเรื่องอนาคตหรือคว้าน้ำเหลวต้องมองลงที่ปัจจุบันนี้ไปอยู่ที่ไหนก็จะ ทำการแก้ไขลงที่จุดนี้เพื่อการบำเพ็ญในจุดนี้ให้ได้รับความสะดวกไม่ว่าจะอยู่ที่นี่ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็เพื่อความสะดวกในการบำเพ็ญของตนเท่านั้นฉะนั้นจงอย่าลืมเรื่องความสะดวกจงอย่าลืมเรื่องความเพียนว่าเพียนเพื่อเห็นเหตุผลที่ปรากฏถู่กับใจดวงนี้ นี่แหละเป็นภาชนะสำหรับรั บ, รบไว้ทั้งดีทั้งชั่วทุก็มีอยู่ที่นี่สมุทัยมีอยู่ที่นี่นิโรธหรือมรรคก็มีอยู่ที่นี่คือนิโรธและมรรคก็มีอยู่ที่นี่ความสิ้นสุดแห่งทุกโดยประการทั้งปวงก็มีอยู่ที่นี่เราซึ่งได้นามาเป็นพระและเป็นนักปฏิบัติแล้วอย่าทิ้งลวดลายให้กิเลศหัวรายก ไม่สมนามว่าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเลยทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่ต้องไปเป็นกังวลให้เหนือจากเพศของพระซึ่งเป็นเพศที่พอดีอยู่เสมอการใช้การสอยการเป็นอยู่ปวูวัยทุกสิ่งซึ่งเป็นสิ่งเกี่ยวข้องที่เราจะต้องอาศัยตามกาลเวลา เราให้แยกไว้เป็นภาคหนึ่งแต่เรื่องของใจให้มีความพอดีอยู่เสมอกับสิ่งเหล่านั้นอยากให้เกิดความพุ่งเพิเ่อเสริมจนถึงกับติดไปเป็นความเห็นถิดไปตามสิ่งเหล่านั้นคือเป็นความกังวลใจก็กลายเป็นโรคไปเสียในเทศของท่นี่จะไม่มีอะไรเป็นผลดีเกิดขึ้นสาหรับท่า ผู้หมดความพอดีประจําตนเลยโปรดทราบไว้ทุกท่านการไปเที่ยว ห, หาที่สงัดทีเวศหรือไปสอะแสวงหาที่สงัดทีเวศอย่าปล่อยให้ทีเวสตันหาฉุดลากไปเป็นหัวหน้าไปจะไม่สมหวังในที่เช่นนั้นแต่จะทำความเล็วเหลือจะตนเองจงนำหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเียนทิศทางเดิน สถานที่ใดเป็นที่สะดวกในการประกอบความภาคความเพียรสถานที่นั้นแลเป็นสถานที่เหมาะสมอย่างยิ่งสําหรับผู้ปฏิบัติและผู้พอมีกับตนเองชุกชื้นกุ้อย่างจะขาดตกบกพร่องไปบ้างก็าตามขอให้การบําเพ็ญเพียร น, นั้นเป็นไปด้วยความสะดวกสบายที่เช่นนั้นจัดว่าเป็นที่อันเหมาะสมสําหรับผู้บําเพ็ญเพื่อความดุจค้น การผึดเราให้เป็นพระอันแท้จริงนี้เป็นการผึกยากเราปรับปรุงสิ่งอื่นเราปลูกสร้างสิ่งอื่นๆเป็นไปได้ตามใจหวังแต่การปลูกสร้างพระการผิดพระให้เป็นพระในหลักธรรมชาติคือเป็นความเจริญรุ่งเรืองภายในจิตใจของต ส, สมกับเพศของพระจริงๆนี้ รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่จะถือว่าเป็นการสุดวิสัยในเหลือวิสัยสาหรับใจที่มองในแง่ทางโลกมากจกเป็นธรามนองนั้นแต่ถ้ามองเพื่อความพ้นทุกข์แล้วจะเป็นสิ่งที่กลมกล่อมกับนิสัยได้ดีสาหรับเพศของพระผู้มุ่งต่อธรรมเช่นนั้นดูที่ไหนก็สะดวกสบาย ไม่มีอะไรยุ่งเหยิงเท่านั้นโปดทำความเข้าใจไว้ไวด้วยดีการไปการอยู่การประพฤติปฏิบัติตามสถานที่ญญต่างๆเป็นเรื่องจำเป็นของเราผู้เป็นนักปฏิบัติจะต้องบาเพ็ญจะต้องไปต้องมาพอสำคัญอย่ามองข้ามตัวเองอย่าไปด้วยความฟุ้งเพ้อเหอเหิมอย่าไปด้วย มีเข็มคิดไปในทางอื่นซึ่งนอกจากหลักธรรมของพระโพธิจักแต่จงเป็นผู้ไปด้วยเข็มคิดคือธรรมะจะเป็นผู้มีธรรมครองจิตใจให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขไปตลอดกาลจนสามารถถอดผอนสิ่งที่เป็นภรรัยแก่ตนให้ผ่านพ้นไปได้จริงๆสมกับว่าเราสแสวงหาธรรมะคือความบริสุทธิ์ภายในใจจ ร, ริงๆนี่ การผิดพระให้เป็นพะผิดโดยวิธีนี้อย่านำวิธีอื่นมาผิดพะจะกลายเป็นโลกขึ้นในความเป็นพระจะกลายเป็นโลกขึ้นในเพศของพะในใจของพระโดยเจ้าตัวไม่รู้การแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรฉะนั้นขอให้พุกท่านที่ได้สดับแล้วนําไป ปรับปรุงแก้ไขตนเองจึงใดที่เห็นว่ายังบกพร่องโตรดทําความสนใจในจุดที่บกพร่องนั้นเพื่อแก้ไขให้สมบูรณ์ขึ้นไปจึงใดที่เห็นว่าถูกต้องแล้วตรงทําความสนใจพยายามส่งเสริมให้มีกำลังมากขึ้นยายปล่อยให้สิ่งที่ราคฏเป็นความเจริญขึ้นแล้วแลวเสริมไป เมื่อได้ทำความสนใจในทั้งสองประเภทคือการแจกขายและการส่งเสริมนี่โดยสมบูรณ์แล้วเราจะเป็นทะที่สมบูรณ์ขึ้นภายในจิตใจโดยไม่ต้องสงสัยถึงขอบิตรีธรรมเทศนาเพียงเท่านี้